ทางน้องมีอะไรไหมไม่มีมีมำถามได้ไหมคะหลวงพ่อได้ก็ถามถามยาวมามาใกล้ๆหน่อยง้าลูกจะถามเรื่องของกรรมาค่ะหลวงพ่อเออลูกอะค่ะค่าแม่นะคะกรรมหนักค่ะแต่วันนั้นลูกดูในหนังสือค่ะแม่ค่าลูกอะค่ะ กรรเหมือนกันไหมคะหลวงพ่อแต่แม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่านะคะ ไ, ม, ม, ไ ม, ม่เหนืะ่ะแม่ฆ่าลูกนี่บาปน้อยกับลูกฆ่าแม่เพราะว่าแม่มีพระคุณต่อลูกแต่ลูกไม่มีพระคุณกับแม่ อ, อั น, นี้บาปห น, หนักหรือเบาเนี้ยเขาดูคุณของคนที่เราฆ่าของสิ่งที่เราฆ่าชีวิตที่เราฆ่าพวกสัตว์นี้ก็มีบาป มีบาบมีหนักเบาเหมือนกันค่าเป็ดค่าไก่กับค่าวัวค่าควายนี่ก็มีมีความหนักเบาต่างกันถ้าเป็ค่าไก่มันไม่ค่อยมีคุณประโยชน์ค่าไปก็โทษไม่หนักเหมือนกับค่าวัวค่าควายที่เขาทับใช้เราเขาทําประโยชน์ให้กับเราค่ากุ้งค่าปลาอะไรพวกนี้ยิ่งยิ่งไม่ค่อยมี งัง<บ>้นถ้าหอยนางรมก็บาทน้อยใช่ไหมค <laughs> ร, รับพอลูกยังทําตามหลวงพ่อไม่ได้เลยได้บ้าง <laughs> เล็กน้อย <laughs> อน้อยกว่าแต่ก็ต้องใช้อยู่ดีก็ <laughs> คิดว่าต้องกลับไปเกิดเป็นหอยนางลมให้เขาข้ามแล้วเยอะด้วยก <laughs> ็<ว>ย <laughs> ไม่เป็นไรหอยนางรมอายุไม่ยาวไม่ใช่ก็ป่าจะเลี้ยงโตว่าแปดเดือนนะคะ แล้วลูกค้าวเป็นล้านตัวก็ไม่เป็นไรก็กลับไปเกิดเป็นพลังลมไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่รู้จะเป็นคนก็หมดหวดกรรมเมื่อไหร่้วกลับมาเป็นคนใหม่ค่ะหลวพ่อคะคนที่เข้าใจธรรมะแต่สวดมนต์ไม่ได้เลยกับคนที่สวดมนต์ได้แต่ไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยอานิสงส์เนี่ยเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนอะคนเข้าใจธรรมะนี่ต่ จะได้บุญมากกับคนที่สวดมนต์คนที่เข้าใจธรรมะนี่มีปัญญาระดับปัญญาคนที่สวดมนต์นี่เป็นระดับสมาธิสวดมนนี่ทำใจให้สงบนิ่งเฉยเฉยเป็นเหมือนเนาหินไปทับหญ้ากิเลนี่เป็นเหมือนหญ้าเวลาเราสวดมนต์ น, นี่เราก็ทำให้ใจสงบกิเลนก็หยุดทำงาน <c oughs> ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ถ้าหยุดทํางานชั่วคราว เ, าเราก็มีความสุขในขณะที่จิตสงบแต่พอแต่พอเราหยุดส่วนมนเราเริ่มมาคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อิเลส ก, ก็ออกมาความอยากก็ออกมามันก็ความสุขนั้นก็หายไปแต่ถ้าเรามีความเข้าใจในธรรมะเข้าใจว่ า, าความสุขของเราอยู่ที่การไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยาก ถ้าเราตัดกิเลสได้เราก็จะมีความสุขอย่างถาวรเพราะถ้าเราฆ่ากิเลสได้ละกิเลสได้เราก็จะฆ่าต้นเหตุของความวุ่นวายใจของเราได้อังนั้นคนที่เข้าใจธรรมะนี้จะเป็นเท่มันก็อยู่ที่ว่าเข้าใจในระดับไหนนะมันมีหลายระดับเข้าใจในระดับทําบุญทําทานเข้าใจในระดับรักษาศีล เข้าใจในระดับสมาธิหรืเข้าใจในระดับปัญญานี่มันมีหลายระดับถ้าเข้าใจในระดับปัญญานี่มันก็จะสูงกว่าคนที่สวดมนต์ได้เพราะคนที่สวดมนต์นี่จะอยู่ในระดับสมาธิาในเวลาเขาไม่สบายใจเขาก็สวดมนต์ไปเขาก็หายหายจากความไม่สบายใจเมื่อก่อนลูกจะสวดมนต์เก่ง แต่ก็ไม่สามารถระงับความโกรธความโลภความหลงได้พ อ, อตาหลังลูกเริ่มมหาหันมาทางธรรมมาลูกมีความรู้สึกว่าทําให้ลูกสบายใจขึ้นเอแล้วก็สามารถมองเห็นทุกว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะออย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมคะหลวงพ่อถูกต้องอแต่มันก็ถ้าได้ทั้งสองอย่างก็จะยิ่งดีอห่ส่วนนวนได้แล้วก็เข้าใจหลักธรรมด้วยก็จะทําให้เรา มีกำลังมากขึ้นมีมีมีมีมีมีมีมีนีมีมีมีมีมีมีมีมีมสมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีรวมเมีมีมีมีมีมีมีมีาีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมนมีมีจีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีอีมีมีมีมีมีมีมีมีตีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมะมีมใชีมีมามเข้าใจีรรมีมเนียสมาคัญ เรว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นปัญญาส่วนการสวดมนต์นี่เป็นการทำใจให้สงบเรียกว่าสมาธิเมื่อก่อนลูกสวดมนต์เราเขเลิกสวดตีนเก็ลูกเคยอ่านค่ะหลวงพ่อเหมือนหนังสือเขเขียนไว้พอก็สวดก้าจบก็ตีกระสอมีเขาเลยอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบสยศาสตร์มากกว่าค่ะใช่ก็ เพราะว่าไปสวดแล้วว่าไปหวังผลเงี้ยค่ะ <ti> คือการสวดนี่มันเพื่อให้ใจสงบ<ช>ผลที่เราต้องการจากการสวดคือความสงบใจใ<ช>สบายใจเี่ยแต่ถ้าไปเข้าใจว่าสวดแล้วจะร่ำจะรวยเง<ช>ี้ยก็เป็นการเข้าใจผิด<ช>ผลก็จะไม่ได้ผลก็จะไม่ได้คือการร่ำรวยนี้มันไม่ได้รวยจากการสวดมนต์แล้วไม่สวดมนต์การร่ำรวยนี่มันมีเหตุหลายอย่าง ที่ทำไม่รวยได้ขยันทำมากินเก็บเงนินเก็บทองอไม่ใช้เงินใช้ทองมีแต่หาต่อไปมันก็รวยได้นะหรือว่าอยู่ดีๆมันก็รวยขึ้นมาเองนี่ก็เป็นเรื่องของผลบุญเก่าเกิดมาเกิดเป็นลูกของคนรวยอันอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของบุญเก่า หรือว่าจะรวยเพราะโกงเขาก็ได้เพราะไปต้นธนาคารไปกหกหอกรวงคนก็รวยได้เหมือนกันวิธีที่จะรวยนี่มันมีหลายวิธีหลวงพ่อคะลูกจะถามเรื่องการโนะหสิกรรมคะ่ะถ้าลูกเราทำไม่ดีค่ะแล้วถ้าเราไปขอโหสิกรรมจากลูกเนี่ยกรรมขาดไหมคะเยอะ เขาทําไม่ดีแล้วเราเป็นคื อ, อลูกเราเก๊ะค่ะ<อ>แล้วแม่ทํายังไงลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้อ่ะอก็เลยแม่ก็เลยจะตัดสินใจว่าคงเป็นชาติที่แล้วแม่คงไปทํากรรมไว้กับลูกเงี้ยค<อ>่ะแล้วแม่ก็ขอโหสิกรรมจากปากของลูกสมมตถ้าลูกว่าบอกว่าลูกก็เอโหสิกรรมเนี้ย<อ>กรรมจะขาดไหมคะหมายถึงเอาทุบเทียนสามบอกเลย <laughs> การ้บการ์บเท้าลูกอ่ะก็าอาจจะอาจจะขายก็ได้ลูกอาจจะสงสารแม่ก็อาจจะทําได้เปล่าถ้าลูกไม่ดีเราเทุบเทียงนไปการ์บมันได้เปล่าลูกคิดว่าถ้าเป็นแม่ลูกทําได้ค่ะถ้าลูกเป็นคนดีนะคะ่ะถ้าการ์บแล้วลูกเป็นคนดีาาก็ย่าการ์บมันอ่ะนะ <laughs> ก็อยู่ที่มันอนะม่ออากจะสงสารแม่ก็ถ้าถึงแม่ถึงขางนาดต้องมากล่าบคุณก็คุณดังแม่แม่เนี่รักรักเรามากน ะ, ะแม่อยากจะให้เราดีนะเราน่าจะปรับตัวเราเองก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอุบายก็เคยสอนญาติอยู่ครั้งหนึ่งกันว่าอ่าเพราะลูกเห็นลูกๆไม่ทําดีกับแม่เนี้ยทํายังไงก็ไม่ขาดน ะ, ะเราสอนมันยังไงมันก็ไม่เชื่อ ให้เราลองไปกัดมันดู้คืออเรื่องของเขาเนี่ยเราไปกาหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เราจะให้เขาดีไม่ดีเนี่ยเราไปบังคับเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเองส่วนเรื่องของเราเนี่ยเราสามารถที่จะพ้นทุกข์จากจากที่เราเคยทุกข์กับเขาเนี่ยเราสามารถ ทำให้เราหายทุกข์ได้ก็คือเราเพียงทำใจเรามีความเข้าใจทาให้ถูกต้องอความวามเข้าใจให้ถูกต้องว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เรายิ่งอยากเราก็จะยิ่งทุกข์เน้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากยอมรับความจริงว่าเขาต้องเป็นไปตามบุญตามบาปที่เขาทำมา เขาดีก็เป็นบุญของเขาเขาทามาเขาเขาไม่ดีก็เป็นบาปของเขาทามาให้เขาเป็นไม่ดีเขาก็ต้องเป็นไปจนกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองไม่มีใครเปลี่ยนเขาได้นอกจากตัวเขาเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสะกิจใจให้เขาเปลี่ยนได้เช่นองคุลิมานองคุลิมานี่พยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าพะเขาคิดว่าฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วเขาเก่งเขาจะได้บรรลุ แต่พระเจ้าบอกว่าการฆ่าผู้อื่นนี้ไม่ได้เป็นการกระทําที่ถูกต้องไม่ได้ทําให้เก่งคนที่เก่งคือฆ่าทิเล็ของตัวเองฆ่าความไม่ดีของตัวเองฆ่าความโลภความโกรธความหลงพอพระเจ้าสอนองค์ุลิมาเขาก็ไปสะกิดใจองค์ุลิมาทําให้เขาเห็นธรรมให้ให เห็นความจริงเห็นความถูกต้องว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็ทําให้เขาหยุดฆ่าคนแล้วก็หันกลับมาทําตามที่พระเจ้าสอนเป็นคนดีบรรลุมาฆ่ากิเลสแทนฆ่าความโลภความโกรธความหลงเขาก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมายังก็โยมอยากจะให้ลูกเปลี่ยนแปลงโยมก็ต้องหาอุบายวิธีพูดนะสะกิดใจเขาให้เขาเปลี่ยนตัวเขาเอง แต่เราไม่มีความรู้ความสามารถมันก็อาจจะทาไม่ได้รู้พออธิบายให้เขาฟังว่าคําบุญนัดถ้าแม่ไปแล้วอ่ะหนูต้องมีสเสบียงไว้าชาติหน้าอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจแต่ว่าเขาขาดความเพียรทางปไอหลวกอนเขมง ทำความดีไม่เก่งเก่งแต่ทาความไม่ดี<ม>นีนจะให้เขามาเปลี่ยนให้มาทําความดีนี่เขาเปลี่ยนไม่เป็น<ม>เขาชอบทําความไม่ดี<ม>ในเมื่อเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วบอกเขาแล้วสอนเขาแล้วชี้ทางให้เขาแล้วเขาไม่เดินไปทางนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้<ม>นอกจากลากเขาไป <laughs> ก็พยายามลากไปก <c oughs> ็บาช่วงฮะตอนที่เขายังเด็กก็ยังลากได้ช่วงที่เขาต้องพึ่งพาสายเราเราก็ชวนเขาไปทําบุญกับเราได้ไปวัดกับเราได้แต่พอเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวต้องทํามากิฐิเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเอางได้เขาก็ไม่ไปกับเราก็ได้เพราะเขาไม่ต้องพึ่งเรานะงั้นเราก็ลากเขาได้ไปในในระยะเวลาหนึ่ง เวลาที่เขายังต้องพึ่งเราอยู่ะแต่พอเขาไม่พึ่งเราแล้วเขาก็ไปตามทางของเขาแล้วเขาชอบกินเหล้าเขาก็จะไปกินเหล้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะไปเล่นการพนันันั้นตานที่เรามีอิทธิพลต่อเขาตอนที่เขาเป็นเด็กเราก็พยายามสอนสิ่งที่ดีๆให้กับเขาคแล้วพาเขาไปทําในสิ่งที่ดีๆปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเขา <Okay. S 2> ส่วนมันจะเหมือนมันก็เหมือนปลูกต้นไม้มันจะโตมก็ไม่โตมันก็มันจะคุณนของเขาใชอ่าใช่มันจะโตมไม่โตก็ต้องมีน้ำมีมีดินดินต้องดีน้ำต้องดีดินกับน้ำมันอยู่ในตัวเขา<ม>เขาต้องเป็นคนคอยเติมรดน้ำพรวนดินแล้วทีวิเขาก็จะดีก็คือเขาต้องพยายามทำตามที่เราสอน อผ ม, ผมว่าเขาลูกมีคําถามเกี่ยวกับพระเนี่ยถามได้นหมคะถามได้ได้ไม่ต้จะตอบได้หรอกลูกอยากถามว่าคนที่บวชกับวัดเนี่ยค่ะเกิดพระอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พระแท้อ่ะ อ, อันนี้สองคนบวชเนี่ยขาะะ่าวไหมคะหมายความว่าลูกเคยได้ยินข่าวะคะ่ะอเป็นพระที่แถวรู้สึกจะแถว ใกล้ๆพัทยาหลืยงไงค่ะถ้าเป็นพระที่ไม่ใช่เป็นเป็น เ, น เ, นเนจ้อาอาวาสที่ไม่ใช่แท้ค่ะอแต่ว่าคนมะบวชไปเยอะอันเนี้ยค่ะแล้วอธิสง์ที่บวชจะขาดไหมคะไม่ขาดแล้วเพราะอธิสง์ของเขาเกิดจากการกระทําตัวของเขาเองไม่ได้เกิดจากคนที่มาบวชเหมือนเหมือนกับโยมมาขอศิ่จากเราเนี่ยการมาขอศิ่งก็เียนแต่มามาถามว่าศิ่งมีอะไรบ้างสี่งห้ามีอะไรแล้วก็บอกไป เราจะเป็นพระหรือจะเป็นหรือจะเป็นแพะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเราเพียงแต่มีหน้าที่บอกว่าศีล ม, มีอะไรบ้างนะเหมืนคนมาถามทางว่าจะไปหนองมนไปยังไงเนี่ยคนที่คนที่จะบอกทางให้โยมไปเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะถ้าเขาบอกทางที่ถูกถ้าเราโยมเดินไปตามทางที่เขาบอกโยมก็ไปถึง ห, หนอง ม, อมนเนี่ยเวลาคนมาบวชเนี่ยเขาถึงแล้วเขาจะเป็นคน เป็นคนทูตศีลไม่เป็นพระไม่บริสุทธิ์แต่เขาก็ประกอบพิธีที่ถูกต้องบอกบอกศีลให้เราบอกอะไรต่างๆให้เราเวลาเรามาบวชให้เราทําตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ้วเราทําตามที่เขาบอกเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปอ่าไม่ไม่เกี่ยวครับนอกจากเขาบอกผิดนะถ้าเขาบอกผิดทางเนี่ยอันนี้ถึงจะเช่น พอมาบวชแล้วก็บอกให้กินเหล้าได้นะ อ, ะ อ, ะอะกินข้าวเย็ยนได้เน ะ, ะ <c oughs> ถ้าถ้าแ้วอะไรเงี้ยจะไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บุญเน่ยถ้าเขาบอกอย่างนี้แล้วเราทําตามที่เขาบอกพอบวชเสร็จก็ไปกุฏิก็ตั้งวงเล่นไพ่กันเลย <c oughs> <c oughs> สั่งเหล้ามาสั่งเหล้ามาดื่มอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเขาสอนเราอย่างถูกต้องวิธีเป็นพระทำยังไงศีลสองร้อยยีเจ็ดมีอะไร ออกบินธบาตปฏิบัตมีมีความสำมาสรวมอะไรทุกอย่างเนแล้วเราทำตามที่เขาสอนเราก็ได้เพราะมันเป็นบุญเน่ไม่เกี่ยวกับไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคนสอนอเกี่ยวกับคนปฏ<ว>ิบัติอ่ก็มืนเยมสอนลูกให้มันไม่ให้กินเหล้าแต่มันมันกินเหล้าเนี่ยโยมเป็นคนไม่ทุศีนแต่บอกลูกแต่ว่า อ, อย่าไปกินเหล้าน ะ, ะแต่มันกินเหล้าอย่างเนี้ย มันมันก็ไม่ได้บุญถ้ามันทำตามที่โยมสอนกาไม่กินเหล้ามันก็จะได้บุญดังน mm ั hmm. ้น yeah. มันไม่ได้อยู่ที่คนสอนคนสอนมีส่วนตรงที่ว่าสอนถูกก็สอนไม่ถูกถ้าเราสอนไม่ถูกแล้วเขาไปทำตามที่เราสอนเขาก็จะทำไม่ถูกเช่ uh huh. นสอนให้เขาทำบาปแทนที่จะสอนให้เขาทำบุญ uh huh. แล้วก็ททำตามที่เราสอนอย่างนี้ก็เราก็จะไม่ได้บุญ ก็ อ, อย่างที่บอกเนี่ยถ้าเวลาคนที่บวชเรานี่สอนให้เราไปกินเหล้าสอนให้เราไปเล่นไพ่สอนให้เราไปรักขโมยอย่างเงี้ยแล้วเราไปทําตามที่เขาสอนเงี้ยเราก็ไม่ได้บุญ เ, เราได้บาปก็การกระทำมันเป็นการกระทําบาปการมาบวชนี่ก็เพื่อมาทําบุญไม่รัเล่นการทําบาปการบวชนี่ก็ให้ถือเขให้ขอสินสิบก่อนขอสินสิบข้อ สินห้าแล้วก็เพิ่มอีกห้าข้อก็เป็นศินแปดบวกอีกหนึ่งความจริงสินแปดนี่มันเป็นสีนเก้าแต่เขรวมเขาไม่ชอบได้วเก้าไงมื่อเขาแล้วกเอาเอาข้อข้อแปดกับข้อเก้ามารวมกันเป็นข้อเดียวกันอความจริงมันเป็นสองข้อนะสีนแปดนี่ความจริงมันเป็นศีนเก้าข้อที่ข้อที่รวมกันก็คือข้อที่เจ็ดกับแปดเนี่ยข้อข้อที่เจ็ดกับแปดนี่มัน รวมกันคือข้อที่ไม่ไม่ไม่ดูหนังฟังเพลงนี่ข้อหนึ่งีกข้อหนึ่งก็คือไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามทาหน้าทาปากใช้น้ำถุงน้ำหอเนี่ยอันจริงมันเป็นสองข้อเป็นข้อเจ็ดกับข้อแปดแล้วข้อเก้าก็ไม่ให้นอนบนฟูกหนาหนาทีนี้ไม่ทราบไงก็เอารวมเจ็ดกับแปดมารวมกันมันเป็นข้อเจ็ดแล้วเอาข้อเก้ามาเป็นข้อ ข้อแปดแต่ความจริงแล้วเวลาเวลาบวชนนี้ก็แยกสองข้อนี้ออกจากกันเณมีศีลสิบเนี่ยศีลที่ศีลข้อที่เจ็ดกับศีลข้อที่แปดนี่แยกกันแต่ของของของคนที่ถือศีลแปกก็รวมกันเป็นเป็นข้อเดียวเป็นข้อเจ็ดของเนเป็นข้อเจ็ดข้อแปดแล้วข้อเก้าคือไม่นอนบนฟูกนั้นนะครข้อสิบก็คือไม่จับต้องเงินทองนักบวชที่เขา พระพาทธเจ้าไม่ให้พกเงินพกทองไมใ่ใช้เงินใช้ทองอเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของไม่ดีอะไรแต่ก็มีข้อมีข้อยกเว้นต่อมาเพราะว่ามีคนขอขออนุญาตว่าคนบางคนมาบวชนี่บางทีเขามีความจำเป็นจะต้องซื้อยาซื้ออะไรเพราะว่าอาศัยของที่จะได้รับจากบินทบาทหรือญาติโยมมาถวายนี่บางทีมันไม่ได้ เพราะว่าของบางทีบางอย่างมันเป็นของฉพาะตัวเองอด้วยจะไปบอกญาติโยมที่ไม่รู้จักก็ไม่ได้อย่ออยางญาติโยมมาเนี่ยจะไปบอกญาติโยมว่าโยมช่วยซื้อยาอย่างนี้น อ, อย่างนี้ให้หน่อยนะก็พูดไม่ได้คนอกจากโยมเป็นคนมาขอเสนอว่าหลวงพ่อมีอะไรบอกหนูน ะ, ะแล้วต้องบอกอย่างนี้ถึงจะบอกได้เขาก็เลยขอร้องว่าอ อยากจะให้พาดไจใม้มีเงินซื้อของที่มันจําเป็นเป็นของที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นของที่มีโทษเช่นปัจจัยสี่อาจจะต้องมีอาหารบางชนิดยาอย่างบางชนิดผ้าดจีวรบางชนิดที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยบางชนิดเพราะคนคนนี้เขาอาจจะมีความละเอียดมีความเบาบางหรืออะไรพิเศษ เจ้าจ่าก็เลยพิจารณาว่าอย่างนั้นให้เงินพระก็ได้แต่ไม่ให้กับพระอีกอ่ะให้ฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้อหให้ฝากไว้กับคนที่พระไว้ใจได้ลูกศิษย์ของพระที่พระไว้ใจได้ <ทะ S 1> และไม่ให้พระถือว่าเงินเป็นของพระเป็นเงินของโยมฝากไว้เช่นโยมโยมเป็นห่วงพระองค์นี้อยากจะให้พระตรงนี้ท่านเขาจะได้อยู่สุขสบาย ขาดหรืออะไรก็ฝากเงินไว้กับลูกศิษย์ของพระคนนี้เราต้องจอดจงไหมคะหลวงพ่อว่าถาวายหลวงพ่อเงี้ยก็ได้ก็บอกถาวายหลวงพ่อแต่ฝากไว้กับถาวายให้หลวงพ่อใช้แต่ให้ฝากแต่ไม่ให้ไม่ให้กับหลวงพ่ออย่างไงเียเงินทองใส่ซองมานี่เราเราเก็บไว้เองไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปให้ลูกศิษย์เขาเก็บไว้ให้อีกทีแล้วเวลาเราต้องการอะไรเราก็บอกเขาช่วยไปดูมาให้หน่อย เป็นต้องการยายาหมดหรือ ว, ว่าอะไรมีความจําเป็นอะไรก็บอกเขาได้แล้วถ้าเกิดแล้วไม่ถือว่าเป็นเงินของเราสมมติว่าไปฝากเขาไว้แล้วถ้าไปบอกให้เขาไปซื้อของให้เราเขาบอกเข้าไปใช้ก่อนแนละ้วเงินไม่มีนะก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรของไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นเงินของเราเป็นเงินของโยมก็มีอย่างเดียวก็ต้องไปบอกโยม ว, ว่าคราวหน้าอย่าฝากเงินไอยกับคนนี้นะแล้วคนนี้ เขไปแล้วเขาไม่เอาไม่เอาไปซื้อของตามที่เราต้องการก็เลยมีการอนุญาตให้มีการถวายเงินกับพระได้แต่ไม่ให้พระรับกับมือเก็บไว้ใส่ย่ามใช้เองเอาไปไหนมาไหนซื้อข้าวซื้อของเองใช้ไมว่าพ่อครับก็ถ้าท่านรับกับมืออะแต่ท่านไม่ได้ถามนะครับที่ว่าท่านบอกว่าท่านไม่มีความยินดีในเงินเนี้ยอาบัติไหมครับ คือมันก็ถ้าท่านถ้ามันแล้วแต่กรณีอนน่ะถ้ากรณีที่ไม่มีลูกศิษย์อยู่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็ถ้าจะรับไว้ก็ก็ไม่เสียหา ย, ยอะไรถ้าท่านไม่ต้องการจริงจริแล้วท่านก็ไม่ได้เอาไปเอาไปใช้ไปถึงได้นก็าไปให้กับลูกศิษย์ทีทีให้ลูกศิษย์เขาเก็บไว้แต่แต่ว่าขั้นตอนที่จะฝากลูกศิษย์ตอนนั้นลูกศิษย์ไม่ได้ติดเขามันลูกศิษย์ไม่ได้ติดตัวติดตามไปกับภาพทุกแห่งทุกหนเ ง, งี้ยมันก็ต้อง ก็ต้องออบางทีพระก็รับไว้แล้วก็เอาไปให้ลูกศิษย์เขาเก็บไว้ให้ทีแต่ถ้าไม่ควรที่จะพบเงินประจำเหมือนญาติโยมพกเงินติดตัวไปไหนมาไหนก็มีเงินติดตัวตลอดเลวลาถ้าจ ะ, จะพกเฉพาะรับเฉพาะตอนที่โยมฝากให้ไปให้กับคนนี้ก็ก็พออนุโลมผ่อนถอนได้แต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็ว่าอย่างนั้นอาจจะว่าว่าผิดเพราะว่าไปแตะต้องเงินทองแต่บางทีมันบางทีมัน มันจําเป็นมันไม่มีลูกศิษย์มันติดตัวมามแล้วลงทีญาติโยมอยากจะถวายเงินให้ก็ก็มีสองวิธีไม่รับรับรับแล้วก็รับแล้วก็ไปห้จะไม่ได้อาบ<ห>ัด<ห>ที่ไม่เข้าหัวอันนี้มันก็เรื่องของพระที่ก็จะแบ่แยมเหมือนกับกฎหมายที่ทนายทนายต้องไปตีความกันเนี่ยกฎหมายมันบางทีเขียนแล้วมันต้องมาตีความกันว่าอ่ามีเจตนาหรือไม่มีเจตนา มีความโลภอยากได้แล้วแม่มีความโลภอยากได้มันการจะเป็นเป็นอาบัตินี่มันต้องมีมเข้าราชกามีเงื่อนไขหลายข้อถูกตามเงื่อนไขนี้ปล่าอย่างฆ่าคนเนี่ยบางทีก็ผิดบางทีก็ไม่ผิดใช่ไห ม, มเป็นขับรถชนคนตายเนี่ยคนเขาวิ่งตาดหน้ารถเราเนี่ยเราเหตุฉววิสัยเราเบรกไว้อยู่<ม>เขาอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็วิ่งใส่รถเราเนี่ย<ม>อย่างนี้เขาก็ไม่ผิดใช่ไห ม, ม, มเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขา อย่างนี้ก็เหมือนกันบางทีพ้าแต่ต้องเงินทองก็เพื่อที่จะสงเคราะห์ญาติโยมให้โยมได้ทําบุญเรานำเงินนี้ไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัไยไปให้ผู้ศึกก็เก็บไว้เพื่อจะได้เอาไปทําประโยชน์ต่อไปบางทีอาจจะไม่ทํำกับตัวเองก็ได้อาจจะไปเไปซ่อมกุติไปสร้างกุติไปทําอะไรอันนี้มันก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนแต่ถ้ารับด้วยความโลภอยากได้ะจะได้เป็น ได้เอาเงินนี้ไปเที่ยวอยากจะไปไหนก็ไปได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ดีอยากจะซื้อบุหรี่สูบอยากจะไปทำอะไรที่มันไม่ควรจะทําซื้อข้าวซื้อของต่าง ๆ, ๆที่ภาพไม่ควรซื้อถ้าทําแบบนี้ก็ไม่ก็ก็เป็นอาบัตินั่นเป็นอย่ที่เจตนาลงของการรับเงินรับเพื่อรับเพื่อกิเดสของตัวเองเห็นเงินแล้วก็ดีใจเหมือนกันบญาติโยมเห็นเงินก็ดีโอ้ยได้เงินมาดี เดี๋ยวจะได้ไปซื้อนู่นซื้อให้นี่อะไรเอแต่ถ้ารับแบบนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้ารับเพราะว่าเออเขาอยากจะทําบุญแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ไม่อยู่ไม่ดีก็รับแทนลูกศิษย์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปฝากลูกศิษย์ ต, ตอนที่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะผิดพยาเลยคุณพ่อคับทางบิณฑบาตเนี่ยต้องปิดแต่เช้าตู่ครัมันเป็ น, ปนธรรมเนียมเองคือคือต้องบิณฑบาตในวันนุ่งขึ้นคือวันใหม่ ที่วันใหม่ของของพุทธศาสนาเนี้นับกันตรงที่ตอนแจ้งตอนที่ตะวันขึ้นตอนที่ตอนที่อากาศมันมันสว่างอะจากมืดมาเป็นสว่างถือว่าเป็นวันใหม่เพราะว่าถ้ายังไม่ย <sti> ังไม่สว่างนี้ยังถือว่าเป็นเมื่อวานนี้อยู่ถ้าเป็นเมื่อวานแล้วไปบิณรบาดเนี่ยถือว่าเก็บมาหางข้ามคืนแต่ว่าจะมาออกไปบิณรบาดตอนที่ยังไม่สว่างแล้วย่าโยมใส่บาตเนี่ยถือว่าบิณรบาตของวันที่ ของเมื่อวานนี้อาหารที่ได้รับนี้เก็บข้ามคืนไม่ได้พอสว่างปั๊บมันฉันไม่ได้นะ้เพราะถือว่าเป็นการเก็บอาหารข้ามคืนต้องรอให้สว่างก่อนถึงก็ออกไปบินธบาตแล้วถ้าบินธบาตประมาณสี่นมงเช้ามานี้แล้วแต่ทําเนียมคนใส่กับคนรับอ่ะที่นี่คือทางวัดนะคะหลวงพ่อเขาเก็บประเทนีถวายพระสมเด็จพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็จะเป็นประเทนีของวัด เขรับข้าวอย่างเดียวนะกลับคือสักศักเป็นพระขันสองมือครัคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของแต่ละแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านธรรมเนียมของครับถ้าชาวบ้านสะดวกที่จะใส่แบบนี้ทางวัดสะดวกที่จะรับแต่แต่ไม่ได้ทั้งปีนะคะหลวงพ่ อ, อคแค่ห้าวันแค่ถวายพระเจ้าอยู่หัวนี่นะก็ะมันก็เป็นยังไงก็อย่าให้มันเกิดเพลงก็แล้วกันถ้าหลังเที่ยงวันแล้วก็ก็เบญทบไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์คือฉันไม่ได้นะ ผมพ่อลูกมีคำถามคำถามได้ไหมคะได้ถามได้หมดเลยคือว่ามีลูกฟังธรรมะหลวงพ่อไพรโรดอ่ะค่ะมีโยมาค่ะเขาทมามาถวายเงินร้อยฝรั่งค่ะเขาตีเช็คให้หลวงพ่อเงี้ยปรากฏว่าหลวงพ่อดีใจมากหลวงพ่อนิดว่าจะเอาไปสร้างสาลาแต่ประกฏว่าเช็คเด้งไงค่ะหลวงพ่อแล้วเขาเป็นหนี้ส่งไหมคะคนถวายอะอ๋อ เขาเขาก็หลอกลวงแล้วนี่เขากเขาเขผิดศีลเขาโกหกหลอกลวงอมูสาไม่ได้เป็นหนี้อะไรหรอกอ๋อแต่ไม่ได้เป็นหนี้ใช่ไมไม่ได้เป็นหนี้เขาเป็นแค่โกหกหลอกลวงหลวงพ่อเจ้าคะได้ฟังเท้หลวงพ่อแล้วมีความเดีเดียร์ที่จะลาออกจากงานมาปฏิบัติทรมคราวนี้หนูอาจจะมีความแรงเล็กๆอยากกราบขออวาหลวงพ่อเพื่อจะได้ฝัดความแรง ลังเลเพราะลังเลเพราะอะไรน่ะอาจจะเสียดายหรือว่าอาจจะกลัวอะไรที่อนาคตข้างหน้าไหมถ้าเราเสียดายแล้วก็ต้องมองว่าในที่สุดแล้วก็ต้องจากมันไปอยู่ดีใช่ไหมสิ่งต่างๆที่เราหามาหรือมีอยู่ในขณะนี้ต่อไปเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายมันก็มันก็ต้องจากกันไปอยู่ดีอันนี้ก็เป็นวิธีคิดเพื่อแก้ความเสียดาย ส่วนความไม่แน่ไม่มั่นใจว่าเราจะไปสู่ไปทางนี้ได้หรือเปล่าเราก็ต้องอซ้อมไปก่อนลองทําไปก่อนคือตอนนี้ยังไม่ต้องไม่ต้องลาออกจากงานไม่ต้องอะไรหาเวลาคืออาจจะขอทำ ง, งานให้น้อยลงหรือถ้าเปลี่ยนงานได้มาทำงานแบบอิสระได้ รเราเลือกวันทําได้เช่นคนขายประกันหรือขายจงขายสินค้าอะไรวันไหนเราอยากจะขายก็ขายวันไหนไม่อยากจะขายเราก็หยุดแล้วเราก็เอาเวลามาปฏิบัติทำดูหรือว่าถ้าเราคิดว่าเรามีเงินสานองพอที่จะออกจากงานได้แล้วเราปฏิบัติอยู่แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ลองปฏิบัติไปดูก่อน ดูสักปีหนึ่งสองปีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วดูว่ามันก้าวหน้าไหม mm hmm. ถ้ามันก้าวหน้ามันก็จะมีกําลังที่จะไปเองถ้ามันไม่ก้าวหน้าก็อาจจะอาจจะต้องอพอพับไว้ก่อน mm hmm. อันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ทําแบบนี้ตอนที่เราก่อนที่เราจะมาบวชเราก็เราออกจากงานแล้วก็ นั่งใจว่าจะลองปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งปฏิบัติจริงๆเลยเพื่อไม่เหมือนเหมือนกระวชเลยไม่ยุ่งกับใครไม่สังคมกับใครไม่เที่ยวไม่หาความสุขทางร่างกายจะหาความสุขจากการทาใจให้สงบเพียงอย่างเดียวในการเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะวันๆหนึ่งเราทำแค่นี้นทำสามอย่างแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็ ทำงานบ้านเองกวาดบ้านเองถูบ้านเองซักเสื้อผ้าเองทําอะไรเองเวลาสงสัยอะไรทอํอย่างจ้าคะอ่านหนังสือก็หาหนังสืออ่านไปความสงสัยไม่ไม่ค่อยมีสําหรับเราไม่ถึว่าว่าปฏิบัติแล้วอะไรเพราะเราเข้าใจมันหนังสือที่อ่านมันมันมั น, มนชัดเจนมันชัดเจนมันมันไม่มีอะไรน่าจะสงสัยงแต่ว่าจะทําได้หรือไม่ได้มากกว่า ก็ลองปฏิบัติไปดูถ้าปฏิบัติต่อเนื่องมันจะคืบหน้าไปมันจะเจริญเจ้าน่สติจะดีขึ้นสมาธิจะนั่งได้นานขึ้นเวลาพิจารณาปัญญาก็จะดับความทุกข์ได้เร็วขึ้นมันก็เห็นมันก็รู้ว่าไปถูกทางแล้วก็มันไม่น้ํามันก็มีความสุขกับการปฏิบัติมันไม่ได้ไปทุกข์กับการอยากไปเที่ยวอยากจะไปเล่นอยากจะไป สูงสิงกับคนนั้นคนนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้มันก็บวชได้มันก็ไปได้ตลอดแต่ถ้ามันยังติด ก, กับความสุขเดิมๆยังยังอยากจะสังคมกับเพื่อน<ม>ยังอยากจะไปเที่ยวตา ม, มที่นั่นที่นี่มันก็จะทาให้การที่จะไปบวช น, นี่มันยากขก็ถามาคือวันนั้นอย่าง ป, ประมาณ ต้นเดืนี๋ยนั่งแล้วมันเหมือนแบบว่าที่ว่ามันเป็นหลุมที่ว่าคือมีความรู้สึกว่าในจิตมันเหมือนกับความรู้สึกเทียบกับว่าเวลาเราจะเดินแล้วึงออเรามันก็ไม่มีพื้นแต่มันไม่มีแล้วเราฟลุก๊กมันตกลุกมอากาศมันเครื่องบิน ต, ตกลุกมากาศเดียวเดียวเดี๋ยวคณีกาแล้วเราก็ตกใจมันก็หายใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมที่เรียกคณิกาจะมาที่นี่แล้วสังเกตตัวเองหลังจากนั้นที่เคยได้ยินคาว่าเปลี่ยนเกียร์จากฟังเทียบกันใจเราก็ แค่พุดโทเราก็จะรู้สึกนิ่งกว่าเดิมประมาณนั้นเห็นไหมใช่ไหมก็เราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆพุดโธไปเรื่อยๆแล้วดูลมไปเรื่อยๆมันก็จะนิ่งเป็นพักๆไปเหมือนเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์สองจากเกียร์สองเป็นเกียร์สามันจะเครื่องมันจะเบาลงเบาลงเงียบลงเงียบลงแล้ววิ่งเร็วขึ้นรถก็จะแต่มันก็ยังไม่ถึงว่ามันก็ยังคิดมันก็ยังกรุงอะไรสติเรายังไม่ไม่แข็งทอมันไ่เข้าสนาอยังไม่ไมไม่แก่กล้าพอที่จะ จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวจ็บเรายังวอกไปวกมาอยู่ก็ยังเจริญสติไม่ดีเท่าไหร่เลยสติยังไม่พอก็ต้องพยายามฝึกสตินอกเวลาที่เราไม่ได้นั่งเวลาที่เราไม่นั่งออกจากมาปก็ปปต้องเจริญสติต่อเลย<ช>ถ้าเรายังไม่อยู่ขั้นปนัญญาเวลาเรายังอยู่ในขั้นที่จะเจริญสมาธิอยู่ออกจากสมาธิมาแล้วก็เจริญสติต่อทุ<ช>้โทต่อเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้มีความรู้สึกว่าต้องใช้อาการสามสองถึงจะนิ่งอันนี้เราก็ไม่ อันนี้ก็รู้สึกเราก็มาเปลี่ยนแค่เป็นพุโทโธอย่างนี้ก็คือทำตานี้ไป <32 S 1> เรยได้สามสิบสองก็ได้คือมันอาการบางอย่างมันเป็นได้ทั้งวิปัศนาแล้เป็นเป็นสติเช่นอาการสาสสองนี่ทนก็เรียกว่ากายกตาสติมีสติอยู่กับอาการสามสิบสองอันนี้ก็ใช้เป็นตัวเจลิญสติได้เหมือนกันแล้วก็ถ้า ถ้าอยากจะให้มันเป็นวิปัสนาเราก็ต้องแยกแยะมันอีกทีคือค้นหาถามดูว่าอาการสามสิบสองนี้มีตัวเราอยู่ตรงไหนในสามสิบสองอาการนี้นี่ค้นหาดูถ้าค้นหาไม่เจอก็แสดงว่าอาการสามสิบสองนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็จะเป็นวิปัสนาวิปัสนามันต้องใช้เหตุใช้ผลเนี่ยต้แยกแยะแต่อันนี้คือเราต้องทําต่อที่เรามไม่ได้นั่ง ก็ได้ทั้นั้นเวลานั่งก็ได้จะทําเวลาไหนก็ได้อแต่ส่วนใหญ่มันจะเวลานั่งนี่เรามักจะนั่งดูลมมากกว่าแล้วพุดโถเพื่อให้มันนิ่งแล้วเวลาเราไม่ได้นั่งเราก็มาพิจารณาก็ได้ครับการพิจารณาจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้อยู่จะนอนพิจารณาก็ได้ถ้ามันไม่หลับนั่ยืนก็ได้ก็เลยยืนลำพึงครับ แล้วถ้าอย่างช่วงหลังมันเป็นนีเป็นพวกกลิ่นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามที่ไม่สนใจมันใชมคะมันเึ้ยเอยู่ที่ว่ามันเอามาใช้เป็นวิปัสสนาได้หรือเปล่าเอามาดับกิเลสได้หป่ะถ้าเอามาดับได้เราก็เอามาใช้ได้เช่นถ้ามันติ่นเหอน็ดอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาใช้ดับการอารมณ์ได้เราก็เอามาใช้ก็ได้อเช่นเวลารเราเห็น เห็นคนแล้วเราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราคิดถึงกลิ่นของเขาอย่างนี้มันก็อาจจะมาดับการอารมณ์ได้อย่างนี้ก็ใช้ได้คือของที่เราเห็นนิมิตต่างๆเนี่มั น, อ, ามานอยู่ที่ว่าเราใช้เป็นหรือเป่า <c oughs> ใช้ให้เป็นคุณก็ได้ใช้ให้เป็นโทษก็ได้ <c oughs> ใชใ้เป็นคุณก็คือเนี่ยเอามาใช้ดับกิเลสใช้เป็นโทษก็มาให้เกิดกิเลสจนได้กลิ่นหอมพ <c oughs> อมกลิ่นหอมเราคิดถึงคนหน้าคนนั่งคนนี้แล้วก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมา อยมันก็เป็นไปในทางกิเลสเวลาปฏิบัตินี่เราต้องอย่างบางทีมันอย่างนี้ยฮะชื่อประจำวันที่เราได้กลิ่นโดยที่ตรงนั้นไม่น่าจะมีกลิ่นแบบนี้แต่เดี๋ยวก็อีกสักพักมันก็จะเป็นมีก็จะไปเจอที่ที่มีกลิ่นแบบนี้ถ้ามันสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องปล่อยวางไม่อย่าไปสนใจมันถ้ามันถ้าเกินยอมรับว่ามันเป็นมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินเนี่ย เสียงอะไรต่างๆเสียงนกร้องอะไรนันร้องแล้เดี๋ยวมันลดไปถ้าเราไปเกิดอาการลาคางขึ้นมามันก็จะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราจะทำให้เราแบบสงสัยมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนมันทําไมอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะไปสงสัยไม่ควรที่จะไปรู้ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอไองไปคิดคนไม่ได้ิดหรือว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่อนิจจังอนัตตาก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้ มันจะมาเราห้ามมันไม่ได้มันจะไปเราสั่งมันไม่ได้อย่งั้นก็ปล่อยมันไปปล่อยมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปมันจะมาก็มาใจเราอย่าไปวุ่นวายกับมันเนี่ยว่าใช้ปัญญาพิจารณาให้ถ้าเราพิจารณาทุกอย่างถ้ามันเป็นตายรักก็มีแสดงว่าเราใช้ปัญญาแล้วแต่ถ้าเราไปสงสัยว่าเป็นอะไรนี่เริ่มเป็นกิเลสละความอยากรู้ละ ยามอยาการู้แล้วอยากให้มันหายไปแล้ว อ, อ, อยากจะให้มันอยู่อันนี้ก็จะเป็นกินเลสขึ้นา ม, ใมาใจาเราต้องไม่มีความอยากกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเรามาสัมผัสรับรู้ให้ใจเราเป็นอุเบกขาสัตว์แต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางแล้วจากอีกเรื่องนึงก็คะเวลาที่เราเหมือนกับถ้าเราแยากตัวออกมาจากสังคมอย่างเนี้ยนะคะเราก็แรกแรกเราก็อึดหมกับเอาก็อะไรหายพอเราชิน จิ้มปุ๊มันก็จะมีความรู้สึกอย่างเขอว่ารู้สึกที่ว่าบางทีถ้าเกิดเหมือนกับบางทีมีความรู้สึกที่เขาเคลื่อนเทอยอยือนอะไรเงี้ยความรู้สึกว่ามันมีอาการเคืองกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โดยเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเพราะเราหาออกมาเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นคือถ้าเราอยากที่ว่าเราอยากจะว่าไม่ต้องยุ่งกันแต่อยากจะให้เขารู้สึกไม่รู้สึ ก, ไ ม, สกไม่ดีกับเราอันนี้ก็คือเป็นความอ ย, า, อยา ก, อ, ยากอีกนั่นแหละเราก็ต้องใช้อนัตตาเข้ามาว่าห้ามขาเขาไม่ได้ พยายามคิดพิจารณาตรงนี้ให้มันวางเขาจะไม่ชอบเราก็ช่วยไม่ได้เขาจะเข้าใจเราก็เรื่องของเขาเขาจะไม่เข้าใจเราก็เรื่องของเขาแต่เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่แค่นั้นคือเราไม่ไปสนใจอเขาเ้าถือว่าเขากับเรานี่ตายจากกันแล้วอแตนไม่ได้โกรธเคืองกันหรือเกลียดชังกันเพียงแต่ว่าทางเดินของเขาและทางเดินของเรามันคนละทางกันออ เขาไปทางนู้นเรามาทางนี้ชวนเราไปเราก็ไม่ไปเราก็ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวเขาก็เบื่อเขาก็ไม่มาเชิญแตอนสมัยที่เรามาอยู่วัดยาใหม่ๆมวันเกิดสมเด็จทางก้าลานที่วัดบวานเขาจัดงานวันแกิดก็ส่งไปเชิญมาส่งมากี่ครั้งก็ไม่ไปทั้งจากนั้นเขาก็เลิกส่งเไม่เชิญส่งมาก็ไม่ไปเรามาอยู่วัดของ เด็กก็สั่งกราธิษานเป็นเจ้าอาวาสท่านี้งานการเกยของท่านเราก็ไม่เคยไปเลยเวลาท่านมาเราก็ไม่เคยไปรอรับเสด็จเวลาท่านกลับเราก็ไม่เคยไปส่งเสด็จส่งกลับเพราะอะไรคะหลวงพ่อรู้อยกเลยที่เกียวนีาไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรงานหลวตาครับหลวงตากขาไม่เคยไปตั้งแต่มาออกมาจากวัดป่ามั่นตาก็ไม่เคยกลับไปกลาบท่านเลย มีแต่ท่านมาให้เรากราบที่นี่ท่านก็จะมาที่นี่แล้วเราก็มากราบท่านที่นี่เรวาพอาจย่างวันป่าวันตาท่านก็แามาอยู่เรื่อยๆสองสามปีท่านผ่านมาท่านก็แวะมาทีแวะมา ท, แมาทีแวะมาอยู่เรื่อยๆแต่ท่านไม่เคยพูดไม่เคยบอกใครเราเข้าใจว่าการที่ท่านมาก็มีอยู่สองสองเหตุผลนะเหตุผลหนึ่งก็เป็นห่วงเราอีกเหตุผลนึ่งก็อยากจะดูว่า เรายังปฏิบัติตามที่ท่านสอนอยู่หรือเปล่าเหตุผลนั่นเดียวกันนั่นแหละเป็นห่วงเป็นหัวงแล้วท่านมาดีไรท่านก็เห็นมี้ทุกทีเนี่ยมายี่สิมาตั้งยี่สิกว่าปีเนี่ยมาทีไรก็ที่นี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะท่านก็คอยเน้งสอนว่าไม่ให้ก่อสร้างท่านกลัวเดี๋ยวพระจะแทนที่จะมาภาวนาจะมาติดเรื่องก่อสร้างสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไร เรามาอยู่ทีนี่เราไม่เคยสร้างอะไรนอกจากที่มันจำเป็นเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เรามาทำชิ้นแรกก็คือทางเดินเนี่ยเมื่อก่อนทางเดินมันจะเป็นดินเนี่แล้วเวลาฝนตกนี่ดินมันจะเหนียวเวลาเดินนี่มันจะติดเท้าหนาปึกเลยแล้วก็ลื่นเเราก็เลยว่าน่าจะทำปูเทปูนมันจะได้เดินสะดวกสบายเราก็ทำแค่นี้ทาทำทางเดินแถวนี้ แล้วก็ไม่ได้ทำํำเลยแล้วต่อมาเห็นว่าแท่งน้ํามันไม่ค่อยพอใช้ก็เลยหาแท่งน้ามาเพิ่มตามกุฏิต่างๆจะทําด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยไม่ได้ทําด้วยความอยากจะทําให้มันรู้หลาใหญ่ใหญ่สวยงามอะไรไม่มีหลวงพ่อคะเราสามารถทำมินย้อนหลังได้ไหมคะสม่ได้หรออดีต แ, แล้วกลับไปไม่ได้หรอสมมติหลวงพ่อเพิ่งบอกเนี่ยว่าหลวงพ่อทําทางแต่ลูกหมดโอกาสเนี่ยค่ะ ลูกสามารถทำบุญกับหลวงพ่อได <c oughs> ้เงินที่ญาติโยมถวายมาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรตามที่เราเห็นว่าสมควรจะทำอยู่แล้วท่านโยมไม่ต้องย้อนหลัง <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้มาประกาศบอกให้โยมรู้ว่าออตอนนี้เราทำอะไรตอนนี้เราทำอยู่แต่เราไม่เคยบอกใครเพราะหนึ่งเรากลัวจะกลัวจะเป็นเหมือนกับการบอกบุญเรียไรยเราไม่อยากจะรบควนยาติโยมสองเราก็ไม่อยากจะทำแต่ทีนี้มันมีเหตุให้ท็เราก็ทำ มีเหตุให้ทําแล้วมีปัจจัยให้ทําเราก็จะทําแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ไ ม, ไม่ทำเลยเราก็อยู่ของเราไปเพราะว่างานภายนอกนี้มันไม่สําคัญเท่ากับงานภายในถ้าเรามาทํางานภายนอกแล้วมาทํารายงานภายในนี้เราขาดถุน ง, งานภายในก็คืองานภาวนา <c oughs> อย่างมวดเช้านี้่พระเนที่นี่ไม่ต้องทํางานเลยอยาให้ภาวนาอย่างเดียวให้ปฏิบัติทรรอย่างเดียวงานภายนอกนี่จ้างของมาดีกว่า เสียเงินดีกว่าเสียพระก็ยังนะ <c oughs> พระน้หายากพระนี้กะจะปั้นขึ้นมาแต่ละองค์นี้มันยากมันจะเป็นพ้าได้ต้องภาวนาต้องปฏิบททัติธรรมเพรงั้นถ้าเอาท่านมาทํางานนี้มันก็จะทําให้ท่านเสียเวลางานภาวนาแต่บางวัดที่ท่านเอาท่ามามาทำงานนี้เพื่อมากระตุ้นความขี้เกียจเอเพราะถ้าไม่มีงานทําก็ไม่ภาวนาอยู่ดีไม่ภาวนาก็เอามาทํางานดีกว่า ามาทํางานแล้วมาคอยคุมฝึกให้ให้ฝึกมีสติเวลาทํางานครูบาอาจารย์นี่ท่านจะคอยคุมดูทุกอย่าง<ม>เวลาทํางานคุยกันเดินกันไม่ได้มีแต่ทํากันอย่างเดียวใจจดจ่ออยู่กับการงาน<ม>แล้วเราทำต้องทําให้เรียบร้อยมไม่ทําแบบลวกๆทำแบบขอไปทีทําด้วยสตินท่านจะใช้อุบายการทํางานนี้มาฝึกฝนพระเพราะท่านยังเห็นว่าเขายัางภาวนาไม่เป็น ส่วนถ้าองไหนภาวนาเป็นนี้ถ้าไม่เป็นรบ ก, กวนเนาะอย่างเราเนี่ยโชคดีเราไปอยู่วัดต่าบ้านตาดเวลาก็มีงานทํากันพอเราจะมาช่วยเขาหลวงตาท่านก็ไล่เราไปท่านว่าท่านอย่ามาเกะ ก, กะ <c oughs> เพราะท่านรู้ว่าเราชอบเดินจงกลมนั่งสมาธิแต่พระที่ท่านรู้ว่าไม่เดินจงกลมนั่งสมาธิท่านก็ให้มาทํางาน <c oughs> <c oughs> มาสร้างกุฏิมาซ่อมกุฏิมาทําอะไรกันไปแต่ท่านเขาพยายามทำเท่าที่จําเป็นไม่อยากไม่ให้ทํามาก ก็เดี๋ยวมันก็ติดนะทางานงทัพนอกเดี๋ยวมันก็ติดทําเสร็จหลังนี้ก็อย่าแก่ทำหลังนั้นต่อเอมันก็จะไม่ได้ภาวนาโย ม, มยมไม่ต้องกังวลเรื่องทําบุญถอยหลังนะเพราวะว่าทำบุญนี้ก็เหมือนกันเอก็เอามาทําประโยชน์ เ, เราทําโดยที่ไม่ได้บอกญาติโยมยังกุฏิที่คว้าช้างล่างนี่เราเรามาสร้างใหม่มาสร้างใหม่สิบกว่าหลังด้วยกัน แล้วการอนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมคะสมมุติว่าลูกอ่านหนังสือค่ะท่านสร้างไปเสร็จแล้วค่ะลูก็บอกลูกขออนุโมทนาบุญได้ถ้าลูกอยากยันอนุโมทนาไปได้การอนุโมทนานี่ไม่เสียหายตรงไหนเป็นการชื่นชมยินดีคือเราไม่สามารถไปได้ค่ะอย่างไปสร้างที่โน้นที่เนี่ค่ะหลวงพ่อเราก็ไดแค่อนุโมทนาบุญค่ะได้ดีก่บคนบางคนดีกับคนที่ไม่อนุโมทนาบางคนไม่อนุธมทนากับไม่ยินดีด้วยซ้ําไป กลับไปหาเรื่องขัดขวางเขาก็มีหพ่อคะการอนุโมทนากับการเรามีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้สงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนพ่อเป็นคนรับบุญกันไงบุญส่วนร่วมนี้เป็นทานคือเราเสียสละเงินของเราส่วนอนุโมทนานี้เพียงแต่ว่าเราสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นนัะอย่างคือเราไม่ได้เสียเงินไงน เวลาเราบริจาคเงินนี้เขาเรียกว่าทานแต่เวลาเราไปช่วยสนับสนุนแต่เราไม่ได้เสียเงินเราไม่ได้ใช้เงินเราเพียงแต่การให้กําลังใจเขาว่าอดีนะพี่เชียร์เขาอย่างเงี้ยนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุญอีกแบบนึงไม่เหมือนกันถ้าอยากจะได้สองแบบก็คือต้องกนุโมทนากระส่วนวร่วมแล้วร่วมด้วยอใส่ซองไปด้วยแล้วการนุมโมทนาไปด้วยแล้วก็ถ้าเรา เราเรามีแรงศักดามากแต่เงินเราน้อยน้อยมีแค่ห้าบาทนะค ะ, ะแล้วถ้าวัดเนี่ยทั้งหมดเฉพอไม่หมดแล้วแต่เขาอยากจะทําบุญ อ, อ่ะเขาจะทําบุญตรงไหนที่ได้มากที่สุดนะคะหลวพ่อก็ไปภาวนาที่เขายังภาวนาไม่เป็นะะนะรักษาศีลรักษาศีลหนึ่งรักษาศีลนี่กขาเรองกั น, กนถ้ารักษาศีลนี้ศีล<อ>บุญบุญที่ได้จากศีลนี่จะจะแรงกว่าบุญที่ได้จากการทําทาน เพราะถ้ารักษาศีลได้ไม่ไปเกิดในอบายแต่ถ้าทําทานได้แต่ยังรักษาศีลไม่ได้ยังต้องไปอบา ย, ยแต่าจะเป็นบาปบาที่ดีหน่อยหือไปเป็นไ้เกิดเป็นหมาตัวสวยๆย ง, งามๆ <c oughs> มีคนเงี้ยไปเลี้ยงเลี้ยงเหมือนลูกก็มีเนี่ย <c oughs> คนบางคนนี้ไม่มีลูกเขาก็ไปซื้อหมาน่ารักมาเลี้ยงเป็นลูกเว ล, ลาใสาบ่บาตก็อุ้มไปใสบ่บาตด้วยลูกเลยเนย กหคได้บุญด้วยโดนใจรู่มากเวลาหมาตายก็มาทำบุญสังฆทานให้ให้หมามำสักบุญให้หมาอย่างนี้่าปไหมคะถ้าเป็นบางส่วนไม่บาก็มันก็มันก็มีชีวิตเหมือนคนเราดีๆนี่แหละแต่ว่ามันไปชาติก่อนมันไม่รักษาสีหน้าแต่มันทำบุญไงทำทานแต่ไม่รักษาสีหน้ามันก็เลยไปเกิดเป็นหมาที่น่ารักแต่ถ้ามันรักษาสีหน้าได้มันก็ไม่ต้องไปเป็นหมาที่น่ารักกลับมาเกิดเป็นคนที่น่ารัก รักษาสีหน้าได้ทําทางได้เน้นเน้นทำทางอย่างเดียวไม่พอไม่พอป้องกันไนมะ่ให้เราไปเกิดในาบาปถ้าเราอยากจะไม่ไปเกิดในาบาปตายแล้วไปสวรรค์ไม่กลับมันเกิดเปน็นยังไงต้องรักษ า, าสิเพราะพ่ อ, พอลูกอ่ะลูกก็เองอ่ะคงรักษาสิไม่พอเพราะนับวันยิ่งทาบุญมากลูกก็ยิ่งขี้เหร่อา้าขี้เหร่อ จนเขาเรียกพวกว่ายายหมดแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องต้องดูองคุลิมาลเป็นตัวอย่างรลวงคุริบาลเขาทาบาปมากกว่าเราเขาฆ่ามนุษย์ต้องการร้อยเก้าสิบเก้าคนก็ยังกลับใจมากลายเป็นผ้าละหารได้ออยู่ที่เราเราจะกลับใจเมื่อไหร่แต่ลูกเป็นคนที่ทนความโกรธได้นะหลวกพ่แต่ขอให้เขามีความสุขเขาจะด่าลูกยังไงลูกก็ไม่โกรธนะฮะก็ดีทำอย่างนั้นก็ได้ก็ดีค ดังพยายามพยายามพลิกใจเราดึงใจเรากลับมาไปในทางของที่พระเจ้าสอนให้ให้เราไปผมพ่อค้าอย่างลูกอะรักษาสินก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้แต่จใจเปิด บ, บาน24ชั่วโมงเนี้ยถือว่า <afe> ถือว่าตอนนั้นยังรับรับอ น, นิสงค์ของบุญเก่าเราก็แล้วกันเพราะว่าลูกทําบุญเข้าวัด <ini S 2> ทุกวันค่ะยกเว้น <fueled S 2> แค<ท>่วันเสาร์อาทิตย <Rab. S 1> ์เองคะถ้าเรามีความศพ มีความสุขมีความเบิกบานใจก็แสดงว่าเราเราได้ทําความดีไว้แล้วความดีนั้นก็ส่งผลให้เรามีความสุขมีความเบิกบานใจแต่เวลาใดถ้าเรามีความทุกข์ใจนี้ก็แสดงว่าอานิสงส์ของบาปที่เราทําไว้เริ่มแสดงผลแล้วก็บันจะสุขหรือจะทุกข์ก็ให้เราทําใจสู้กับมันไปก็แล้วกัน เวลาทุกข์ก็สู้กับมันไปอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายว่ า, างไงหมดหรือยังปัญหาหมดาสหลอเ้าให้เต็มที่ล <c oughs> เลยน่อ้าวแบนี้แบบ มานพระบุตรเก่าๆที่เราไม่รู้จักอะค่ะแต่รู้ว่าเป็นเคยยากของเราแต่และเราก็รู้ว่าเขายังไม่ได้ไปฝุดไปเกิดอะค่ะเราจะมีวิธีการทำบุญไยงให้เขาได้ถึงเขาว่าคะคืออยู่ที่ว่าเขาอยู่ในในสถานภาพ<ม>ไหนไงถ้าเขาอยู่ในสถานภาพที่เขาต้องขอบุญจากเราเราก็ทำบุญกวนน้ำไปบุญธรมรมดาที่เราทำบุญรรมดาสักบาททำมากเขาก็ได้มากทำน้อยเขาก็ได้น้อย แล้วถ้าเราไม่รู้จักชื่อจับได้เขาก็ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้บอกคนที่เราเห็นบอกว่าเป็นญาติกับเราญาติสนิทมิเสหายคือถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะรู้ว่าเราทำให้กับเขาเขาก็รับได้แต่เราต้องเราต้องอุทิศในใจเราต้องต้องกล่าวคำอุทิศเมล่อเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็ขอทิศส่วนวันนี้ให้กับบรรพบุรุษผู้ล่งรับไปแล้ว ก็รอรับอยู่เขาก็จะได้รับหอมีอะไรบ้างพีต้าเขาไปหวกเลยว่าอันนี้ก็อยู่กับแม่ชีคคงจะโดนเล่นงานนี้แบล่ใช่แม่ชีกาน อ, อม่ชีสงัดอะค่ะตอนแรกอดีแกเส ร, ร, ร, ร็จเช้าก่กะกผมเสร็จ แม่สีก็เลยแก้งมาแก้งมาจคทาให้ลูกมันยุ่เขาเรียนยงานจาอัอนนั้นก็ฉลองจะดีจะดีที่เราเป็นจุดริ่มต้นี่จะทำอะปรหมอไปดมด้วยนะเพราะไปเพราะว่าพี่เขาบวชแม่เขาอยากไปก็เลยพาไ ป, ไปดมว่ อ, เ, อ, อ, ขอเขาเป็นยังงถึงว่าถ้าลูกบวชหรือแม่บวชอะไรก็จะได้รู้เป็นยังไงแต่จากพี่สาวของเขาเขาไม่รู้มาก่อนคือช่วยติดด้วยกัน พอพี่เขารู้พี่เขาก็ตกใจคือต้องมีพี่สาวหลายคนอะเสร็จแล้วพอหลังๆเอ๊ะทำไมพี่เขาทำใจได้หคิดว่าพี่เขาคิดว่าพี่แกคงจะหมดแค่สามเดือนอแล้วก็จะจะสึกออย่างเงี้ยแต่้ว่าแกไม่สึกหรอกก็ไม่มีแน่อะไรแน่นอนนะอนาคต ก, ก็ดูขึ้นไปก็แล้วกัน แล้ไม่งั้เดี๋ยวคนตามก็จะไม่กล้าตามเพราะเพื่อนรุ่นพี่พี่หนูเคยเล่าให้เขาฟังว่าเขาบวชที่สะกดเป็นรุ่นพี่หมอเนี่ยของอาจารย์เขบอกว่าบวชได้สามเดือนสิบแหลอพี่เขาบวชเป็นพิกซุนีพี่พระอาจารย์บอกว่าเนี่ยหลมทางหรือเปล่าเขาเสริมว่ายึดแกะประมาณมากถ้าบวชเพื่อปฏิบัติเนี่ยบวชเป็นพิชซุนีก็ได้เป็นแม่ชีก็ได้อยู่ที่ ความเป็นไปได้ถ้าเราอยู่ที่ที่เขามีการบวชพิชุนีแล้วก็บวชพิชุนีไปถ้าอยู่ที่ไม่มีการบวชพิชชนีบวชแม่ชีก็บวชไม่ชีไปการบวชที่เป็นเพียงสถานภาพเพื่อเอื้ออำนวยการปฏิบัติของเราเท่านั้นเองตัวมันไม่ใช่เป็นตัวสําคัญเป็นตัวสนับสนุนตัวสําคัญคือตัวเราตัวการปฏิบัติของเราโดยถ้าได้บวชแล้วมันมีผู้อื่นสนับสนุนเราเรื่องปัจจัยสี่เราก็จะได้สบาย ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีทั้งนั้นนะสำนัก บ, บ, บวชมีแค่นี้ที่บวชนี่ก็เพื่อให้คนอื่นเข้ามาสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสีเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมากังวลมาหาเงินหาทองหาอาหารห า, หาอะไตา่างๆเราเราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ววก็สมัยอุตตเจ้าบวชไม่ตอนนั้นก็ไม่มีพุทธศาวชนะเพราะเจ้าเหม็นท่านเดือดร้อนเลยไม่มีภิกษุ ท่านก็ไม่เดือดร้อนองไหนสมัยนั้นเขาบวชกันเป็นอะไรท่านก็บวชตามเขาเป็นเป็นฤาษีชีพัยเขาท่านก็เป็นฤาษีชีภัยไปแต่สมัยนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาพระพุท<ม>ธศาส์พระพุทธเจ้ า, า, าไม่ได้ตัดรูุ้เพราะท่านบวชเป็นพระภิกษุที่ไหนแล้วท่านตัดฉลุเพราะท่านปฏิบัติญาติโยมที่เป็นหญิงเนี่ยถ้าปฏิบัติเนียจะเป็นคารวะก็บรรลุได้จะเป็นแม่ชีก็บรรลุได้เป็นภิกษุณีก็บรรลุได้ ขอให้มันอันไหนก็ได้ที่มันมันสะดวกมันเหมาะสมกับกาลเทศะเขาสภาพที่เราอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าประเทศไทยไม่มีพิษสุนี้จะไปดิ้นไปเป็นพิษสุนี้ทําไมใช่ไหมเป็นพิเป็นแม่ชีก็เหมือนขนคนเขารบ ก, ก็มีคนที่เขารู้จักแม่ชีว้าทําอะไรเขาเคารบก็มีที่เขาไม่เคารบเพราะบางทีแม่ชีบางคนทําตัวไม่น่าเขารบเท่านั้นน่ะมันก็เพราะว่าแม่ทีไม่มีระบบคอย คอยควบคุมความประพฤติเหมือนกับระบบของพระใช่ไหมพระมีมีระบบคอยควบคุมเนีน้โอกาสที่พระจะไปทําตัวไม่ดีนี่มันน้อยมีพอใครถ้าเขารู้เขาว่าจับเสร็จไปแต่ไม่ชีนี่มันไม่ดีไม่เป็นระบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจตกับบุคคลการบวชไม่ชีนี่เป็นความจริงเป็นเป็นการเป็นคารวาสนี่เป็นอุบาสิกาดีๆีนี่เองแต่ว่าเบือ่อเรื่องผมยาวก็เลยตัดผมหนึ่ง เพจะได้ทำตัวเหมือนกับพระท่านเองแต่ไม่มีสถาบันไม่มีไม่มีกฎกติกาค้มาตรฐาน ISO มาควบคุมไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าแม่ทีเป็นมีมาตรฐานในตัวเองคนก็เคารพนับถือเองอย่างแม่ทีกอเขาสวนหลวงเนี่ยท่านก็มีมาตรฐานของท่าน ท่านก็สามารถตั้งสำนักของท่า น, นมีคนศรัทธาไปทาบุญกับท่านเ<ช>ท่ารบท่านคนแม่ชีแก้วก็ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็มีมาตรฐาน iso ของท่านไม่ต้องมีใครมารับรองท่านกูบาอาจารย์รับรองหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบุรรับรองแม่ชีแก้วฉะนั้นทำตัวแล้วมี iso ในตัวเราจะเราไม่ต้องไปเพื่ง iso ของคนอื่นใ่ไห เข้าใจยังอระกับลัวอย่างไม่ชีใช้คุณแม่จำดีนดี่คือสิอะไรคุณแม่ก้าชิ้นแนปนี่เป็นอุบาสิกาท่านก็ไม่ได้โกนหัวท่านก็ปฏิบัติทำได้อยู่ในวัดป่าบ้านตราปฏิบัติมันก็เหมือนกับพระเลยนะเดินโงมกรมนั่งสมาธิกินมื้อเดียวมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเครื่องแบบไม่เหมือนกันนันเอง เหมือนกระถางเล่กระถางนกากาเครื่องแบบไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นอาหารเหมือนกันทำหน้าที่ต่อสู้ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันแต่คนเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยหลงไปติดอยู่กับรูปแบบแทนแทนที่จะไปติดกับเนื้อหาสาระของธรรมเนื้อหาสาระของธรรมเนี่ยสุ ป, ปฏิปันโนเนี่ยคือเนื้อหาสาระ อริยบุคคล4ประเภทนี้เกิดจากอะไรท่านบอกเกิดจากสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนท่านไม่ได้บอกเกิดจากการกเป็นภิกษุหรือเป็นภิกษุณีหรือเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาการเป็นบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวรับรองรับประกันว่าจะได้เป็นพระอริยบุคคลการที่จะเป็นพระอริยะบุคคลได้นั่งอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เหมือนกับการเรียนจบเป็นหมอเนี่ยอยู่ที่การเรียนใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่ว่าฐานะเป็นลูกท่านหลานเธอหรือเปล่าเป็นลูกท่านหลานเธอถ้าเกเรไม่เข้าห้องเรียนแม่ไม่ทําการบ้านเวลาสอบตกมันก็ไม่ได้เป็นหมออยู่ดีมันอยู่ที่การเรียนของเราฉันใดการมาบวชเป็นพระการเข้าสู่พระพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกับการเข้าสู่สถาบันการศึกษา แต่การสถาบันศึกษานี่มันมีสองระดับคือระดับศึกษาและระดับปฏิบัติด้วยศึกษาแล้วก็ต้องนํำมาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วถึงจะได้บรรลุถึงจะได้จบปริญญาได้แต่ในทางโลกนี้บางทีก็มีแค่ระดับเดียวคือระดับศึกษาแต่บางบา ง, บางวิชาชีพก็มีระดับปฏิบัติด้วยเช่นของหมอนี่ต้องมีปฏิบัติด้วยถึงจะจบเป็นหมอได้ บางวิชาที่มีปฏิบัติน้อยมากเช่นวิศวะนี่ก็เข้าห้องหลักแค่สองสามครั้งพอพอให้รู้อะไรเท่านั้นเองจะต้องออกไปปฏิบัติข้างนอกจบแล้วค่อไปทํางานเพรอัะ น, นั้นเนี่ยถึงจะได้ใบ ไ, ได้รับใบอนุ ญ, ญาตชั้นหนึ่งเี้ยเป็นวิศวก่อน อ, อีกระดับหนึ่งตอนตอเราที่จะจบวิศวะมาแล้วทํางานได้เลยไม่ได้หรอกอยังต้องไปสอบต้องไปสอบใบอนุ ญ, ญาตให้เป็นวิศวะอีกต้องไปฝึกงานก่อนอ มันก็เลยต้องมีการปฏิบัติเพราะการเรียนอย่างเดียวนี้ยังยังไม่ยังไม่ไม่พ อ, อยาอยายิ่งถ้าเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับเรจจื่องจิตใจนียสำคัญมากเรียนรู้เท่าไรจบพระไตรปิฎกกิเลสก็ไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวจากการเรียนการรู้นีน่ต้องมาปฏิบัติต้องมาข่มใจต้องมาหยุดใจหยุดกิเลสหยุดความอยากยถึงจะ ถึงได้ได้ประโยชน์ได้ผลขึ้นมานั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติอย่าไปหลงทางว่าอยู่ที่สถานภาพใดเป็นภิกษุณีเป็นพระภิกษุเป็นสัมมเนมไม่สำคัญสำคัญที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นคารวา่ารักษาสิ่งห้าบางคนก็บรรลุทำได้ ถ้าเราปฏิบัติโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนสถานะมันก็จะมีปัญหาเหมือนที่ที่เขาบอกแล้วคืเาเหมเือกเขามีปัญหากับคนอื่นแต่ที่จริงหนูไม่มีปัญหาแต่มันจะมีความรู้สึกว่ามันจะกระทบ ต, ต, ต, ต, ตัวตัวตัวตนของเราแล้วคือเขาก็อาจจะมองว่าเราแบบทุเที้ยนคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่เร า, <c oughs> เราแล้วยังมีอัตตาตัวตนอยู่เรายังม<ค>ีเราอเรายังมีความอยากให้เขาเข้าใจเราอยากให้เขา อะไรต่างๆถ้าเราไปบวชนี่เขาจะเข้าใจ ท, ทันทีอย่างเราก็เหมือนกันสมัยที่เราปฏิบัติไม่ได้บวชนี่คนเขาเรามองเราเหมือนเหมือนกับคนไม่มีเหมือนกับไม่มีทิศทางอะคนแบบเหมือนกับ เ, เป็นเหมือนคลึกบ้าครึ่งดีอะไรวะก็ว่าไปอย่างนั้นแหละแต่พอบวชปั๊บนี่เขา<ม>เขา<ม>เข้าใจเข้ารับทันทีเลยอันนี้เป็นเป็นความมองของคนในสังคมเขามองคนอย่างนั้นไง เขาต้องลองรูปแบบเขาเขาไม่เข้าใจว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่จําเป็นบางทีเขาไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบทําตัวเหมือนกับมันขอทานเนี่ยพูดง่ายๆคนที่ปฏิบัติจริงๆมักจะชอบทําตัวเหมือนขอทานชอบอยู่แบบกินนอนกระดินงกินกับทรายไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากแต่กับทางโลกกับอาหารว่าเป็นเป็นเป็นเป็ น, เ, ปนเหมือนคนบ้าไปเขาเลยกลัวกัน แต่พอเราบวชปเขาก็เล า, าไม่กลัวเราเขาเ ร, าริอ่อนม่สิคือแค่แค่ว่าพวกมองเหมือนนะเอไม่อยากจะเจริญแติบโ ต, ตแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ เ, เราก็ยังรู้สึกเลถ้าเป็นไงแบบวา่าย์อย่าม่ได้ยอมแน่เรานี่เขาทุกข์มากนะปีช่วงปีที่เราไม่ได้ทํางานแล้วเราปฏิบัติทันเพราะเวลาเพื่อนๆถามพ่อลูกเป็นไงนี่เขาพูดไม่ออกตอบไม่ถูกเขาไม่เข้าใจเพราะเราก็ไม่คุยกับแกไม่อะไรกับแกตอนนั้นเราไม่ยุ่งกับใครเลย ใจก็กลัวเรากลัวเราเราเป็นบ้าแต่พอเราบวชปั๊เดี่ยเขาล่งใจเขาดีใจที่เราบวชเพราะเขามองที่สถานภาพเนี่ยก็ไม่ได้มองที่ที่การบําเพ็ญเพราะผู้บําเพ็ญขั้นภาวนานี่มันดูไม่ออกอะเพราะมันอยู่เฉยๆมันนั่งเฉยๆอยู่คนเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิของมันคนเดียวมันต่อสู้กับศัตรูที่มันอยู่ภายในเขาเราไม่รู้ว่ามันกําลังทําอะไรอยู่ เพราะคนบ้านมันก็มีนี่ยเราต้องเข้าใจเขาแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลกับเขาก็เรายังมีกิเลกอยู่นะยังมีความอยากให้คนเขาชื่นชมยินดีในตัวเราอยู่อยากให้เขาสรรเสริญพูดง่ายๆยังติดสรรเสริญอยู่นั่นเองเอล่าเจ้าหนังสออเวลามาบวชนี่ต้องทําตัวให้เป็นปัตตพีให้ได้ ทาตัวไปเหมือนแผ่นดินเลยทำตัวให้ต่ำที่สุดใครจะพูดใครจะชงใครจะดา่านี่รับได้หมดถ้าทําตัวเป็นทําตัวว่าเป็นผู้ต้องมีแต่ยกย่องสรรเสริญอย่างเดียวเนี่พอใครเขาตำหนิติดเตียนหน่อยก็จะโกรธแล้วจะจะเป็นอารมณ์ขึ้นมาจะทั้งบางทีทนอยู่กับเพศนักบวชไม่ได้เช่งคนที่เคยเป็นใหญ่เป็นตัวเนี่ยพอมาบวชเนี่ยจะรู้สึกเหยืออัดอามากเพราะเคยสั่งคนนั้สั่งคนนี้ แต่พอมาบว น, นี่ต้องถูกเขาสั่งเพราะพระพระที่เขามีพรรษามื่อป่าจะคอยสั่งคอยบอกทําอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยพอดนบอกบ่ อ, บอเข้าเดี๋ยวว่าแค้นเกลียดเทียดขึ้นมา <c oughs> มีบางคนคนที่เป็นใหญ่เป็นโตไป บ, บวช ท, ที่วัดป่าบัรณาพ่า <c oughs> พอพรรษารับราวตีขาเลย <c oughs> รับไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จะให้พรเนี่ยเดี๋ยวจะได้กลับกัน ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคะังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิดเปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสพีต so ิโยวิวัชจันตุ สัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีคายุโกภะอภิวาทานศีิสังิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวาทานติอายุวันุสุขังภาลัง